ทำกันลงเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติบอกตรงๆตร ง, งที่เหมือนผิดตรงที่เหมือนถูกเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรงที่เหมือนผิดไม่เจอก็ผิดไปเรื่อยหรือว่าปิดตัวเองตรงที่เหมือนถูกไม่ทำ ก็ไม่เกิดเลยขึ้นเสียเวลาเปล่าตาวิ้งไปเปล่าชีวิตนี้กาศึกษากับมันดูๆงั้นจะมีคาตอบสมาดได้หรือเราไม่เพียงต่นี้ยังจยู่ด้วยกัน นั่งอยู่ด้วยกันทำวัดสวดมนต์ด้วยกันแต่วันหน้าล้วจะไปอยู่ที่ไหนยังตอบไม่ได้เพราะบอกมนไม่เที่ยงชีวิตนี้ยังไม่ขวนสมาทก็มาบอกกันเนื่นนี่แหละเสือดาย ให้มันคิวที่ฐานใบความเคลนร่วงไปร่วงไปแบบนี้เราทำอะไรอยู่จดที่มันคิดคือความคิดจนถ้าหวานของกิตให้มันคิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจโดยไม่รู้ไม่แก้ไขไม่ได้เป็น ว่าเปลี่ยนให้เป็นรูอะตัวการเกิจดจากความคิดเนี่ยแล้วก็ไปไกลกายจะให้เป็นจบว่าเป็นทุกข์ได้ระหว่างของจิดคือมันคิดเนี่ยสำคัญอันนอกนอกมากกวเป็นองเรื่องตาเรื่องหูจะโง่ดืเป็นเรื่องโล ถ้าเป็นจำเลยก็จำเลยที่สองที่สามไม่หนักโทษไม่หนักโทษหนักคือกรรมที่เกิดจากความคิดส่วนมากคนไม่ใส่ใจตรงนี้นักจะปล่อยปละลวเลยหมดไปเลยอาจจะเป็นนิดสยไปเฉลแล้ว ให้ความคิดเป็นใหญ่เป็นโตต่าคิดไปห้อยไปแสนว่า ก, กับความคิดแล้วก็ต่อเทือนต่อคิดเนี่ยมันเป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ทุกที่จิตเป็นกำหนักต่อมาแก้ตรงนี้ ก็ไม่ชินเวียนชินกรรมจักทีอย่าไห้ตายเกิดเจาจังไม่ควรประมาทวิธีเจ็ดจะเห็นความคิดแด้แช่ความคิดก็คือวิชากรรมฐานเป็นป้อมปาการเพื่อดูจุดดูหมืนวิวดูโสนลวงตลาดนัด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 รีจอยเสยใ จ, ใจคนหลงโลกพอใจไม่พอใจด้วยคนหลงโลกทุกทุกด้วยคนหลงโลกโลกทับถมเงิ น, นช่างขีคอโบราณท่านว่าใบมังบนเห็นคนขีช่างใบมังล่าเห็นช่างขีคนด่าสุขเป็นสุขด้วทุกข์เ็นทุกข์ด้วยจิตต่ำ มันจมอะไรก็บังคับได้จุกบังคับขี่คอได้ทุกบังคับขี่คอได้ค้ามเจ็บความเจ็บ ค, ค, ความตายขี่คอได้ก็เรามาเห็นมันซะตรงนี้เปิดโลกออกจะได้เห็นความเท็จความจรงมจิงพระเจ้าบําเพียรทางจิตที่บําเพียอย่างนี้ตื่นตรงนี้เกิดพุทธเจ้าตรงนี้ เป็นปุถุชนก็เป็นตรงนี้เป็นเปรตเป็นอาโลกเป็นสุลกอร์กีย์ฉานเป็นตรงนี้เป็นสวรรค์นรรผลนิพพานเป็นตรงนี้เหมือนประตูออกตรงนี้ปิดตรงนี้ได้บังสมปิดก็ปิดบังสมเปิดก็เปิดได้เป็นส่วนตัวของเราเองไม่ใช่มีใครบังคข้า เราไม่ใช่ชีวิตส่วนตัวเรื่องนี่ให้เชื่อดื่นมาใช่ป่าเถื่อนชีวิตเลยก็เป็นชีวิตป่าเถื่อนฝังสอนอะไรก็ได้ถ้าถือว่าความคิดคิดได้ทุกเรื่องเรียกว่าของหิ้วไปไหนก็ไปถ้าคของคิดเรานอนหาเรื่องมาคิดจนนอนไม่หลับ เวลาชิมข้าวอาหารเรื่องหมายคิดจนอาหารไม่ย่อยอาหารที่ดีไม่ย่อยเศรษฐีเป็นโรคขาดอาหารเมื่อแต่คิดเรื่องได้เรื่องเสียอลมเข้าไปแข้งกรเพราะกระเพาะมายืดไม่มีน้ำย่อยก็คิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน้อยสอดคนเป็นโรคประสาทเช่นโลหิตแตก เต็บแค่ได้ป่วยนั้นบางครั้งเราความคิดหนักๆสับพางร่างกายเลือดก็มาไหลเลี้ยงอยู่ที่กิตเหมือนธรรมานหนักเลือดก็มาเลี้ยงตรง น, นั้นตัวอื่นขาดเลือดหลายเป็นโรคบนเลงได้เราใช้ชีวิตเราไม่เป็น ธรรมะมันทำให้เราใช้ชีวิตเป็นถูกต้องดึงในควสมรารถนามันมีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยมานุย์เป็นจัตประเสริฐสามารถปกตนสอนตนได้เนแต่ฉบับมันก็ยังสุดได้นี่ยมันมืดมืดต่อไปมันจะขาวได้ เราฝกอ่มันดีได้ความดําทําไม่ขาวได้ความดาคือบาปครามเกิดซําขาวคือบุญได้มันปฏิบัติได้มันให้ผลได้ไม่จอมกัดกร่อนไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยเกี่ยวจิตอ่ะดูจิตเนี่ยมาจินพื้นที่ อยู่ที่ไหนก็อยู่กับเรานี่เองไม่ใช่อยู่วัดอยู่ป่าอยู่บ้านอยู่รุ่งที่ดอนผู้ใดมีจติดูหยุดใจที่นั้นย่อมเป็ที่น้าลื่นลมยู่เสมอเหมือมนพระพุทธเจ้าตอดไว้ก็ตามีว่ายติว่านันเด เราเลยว่าทื่ว่าแต่เลยยึดต่อหั่นตังบุมหลอมันโดยยึดกังใช่ไหมจอมอาถาอ้านก็หน่อยผู้มีสติอยู่บ้านก็ดีอยู่ป่าก็ดีอยู่ลุกหัวดีอยู่ดอนก็ดีที่นั่นย่อมไปที่นั่นเป็มของพระอริยะุคุลถ้าเราอยู่นี่ไม่เป็นไม่มีสติที่นั่นก็ฟ้าเทือน เป็นโลกเป็นพงจะสตูวัวใหญ่สัตวตัวมากงาที่ใดมีป่าอย่าปาระมาทเสืออุบาทมีอยู่คู่สถานพอจับต้อง้องเหยื่อทุกวันวันก็เดินผ่านไม่ระวังมีหวังตายณที่นี่เปรียบเถือนอวิชชาเหมือ น, นกับป่าเปลือกเสือเหมือนกับสัตว์้ล่เจ็บปวด ให้ทางช่วยมันได้เกิดไหลขึ้นมาที่จิตเลยยอมเลยร้องไห้หัวโล่ความรักกลเป็นความจังได้ควมตามมันเสียผู้เสือคนตามตามความรักก็เสียคนตตามความโกรธเสียคนเส้นของเ้าน้อยท่าแม่ตามตามความโกรธ โกรธแม่ถ้าแม่ตายแม่เอาข้าวของ น, น, น้อยมาส่งนุ้งบะจะไม่อิม่มเวลานเหนื่อยเมื่อล้าเมื่อแต่กวงโขอยู่ก็จิบข้าวไม่ลงโกขอยังหนักแม่ก็บอกสิบอิ่มอยู่เอิ่มอยู่ไม่ฟังไม่เชื่อเกยดตัดสินใจฆ่าแม่ตายบอกฆ่าแม่ตายนุ้ามบะจิตเข้าวมันก็ไม่หมดจริงๆ คิดได้เฉื่อยใจจ้นมีทาัดของข้น้อยอยู่เยอะสทดทนไม่เห็นไหมกำทุนดานี่ตามตามขอโกบตามตามความลังเป็นนางโมลาสามีคือจันทโกลูกเป็นคนดีนี่คือน้อทามสูงแต่โจน อาพ้นหลังจากแต่ก่านเป็นนักศึกษาด้วยการสอบโจรหมว่เนี่ยเรียนชู้จันทรคุลบไม่ได้เกิดลูกผิดรุ่นหล่วเขาเดียวกับอิจฉาอาจารย์กัดลักกระโชคลูกผิดเป็นคนดีเรียนเฉ่ง ไม่มีรางวัล อ, อะไรให้เลยมั่งออกรงสาวคือโมโลาให้พวกเจ้าขิตตั้งหลายก็อิจฉาอย่างหนักนก็จบการอิจากลับบ้านความโมลากลับบ้านเล้วขิตตั้งหลายกลับบ้านกัลุวมหัวกันมาบนมาค่ากลางทางาากลางป่าใช่ไหย ไปจักเป็นี <c oughs> น่ไหมอันนี้เครื่องร้อนเฮ้ยเกิดตอนตะโกนลบก่อสู้กับโจรวชาดีกว่าคชนะโจรหลายคนเนหลือแต่หัวหน้าโจรตันตะโกโลบกว่าชนะอีกหัวหน้าโจรล่มหงบอย ขอดาบกับเมียคือโมลาจะผงานโจรแล้วมันตายเยอะมันไล่ัปเนี่ยมีดกับฟันเราอยู่เราไม่เอามีดเอาผ้าเลยอะไรขอมีดกับโมลาโมลาเห็จนโจร ส, สวยกว่าสันตะโรใช่ไหม <laughs> สวยสูงเขาสันตะโกไม่สวยเหมือนโจร ยื่นดาบให้โจรโจรเมื่อความจะก็ลบตายเลยโมราจะนอตัวเป็นเมียโจนหรืว่าจะได้สาวนิสวยเจ้มันก็มเอาชาติโมลามึงเป็นหญิงชาติชั่วสาวเมียมันจะฆ่ะะ า, าตายมึงต้องตายในป่าในตรงเนี่ย กหัวหน้าจองก็หนีไปอกให้มวลาอยู่กลางตรงกางปุดมวลาเป็นบ้าไปเลยลองโงมลองให้อาสามีขึ้นเข้มได้แล้วตายไปแล้วนอเตนอนให้เต้าสามีอยู่นั่นแตที่จดตายไเป็นช็ดหนีลองหาหัวหาเชทั้งลอยู่โอ้เห็นเลยยินที่นี่รอดไหม ปดัวแต่ก่อนอยู่ผูหลงมีช่นี้นะนออนอความลักตับสินใจตามความความลักเจียผู้เจบคนเหัินจตามความลักตับสินใจตามความเจชตากันได้ แม่แต่พ่อแม่ก็โกรธได้ทะน้องกันละโกรธกันทะเลาะกันหด้อฆ่ากันได้จึงไม่ควรประมาท ต, ตรงแน่ตรงจิตเนี่ยความคิดเนี่ยระวังหนดีแป๊บเดียวเห็นโจรเห็นสามีต่างกันแป๊บเดียวเกิดเปลี่ยนจิตใจลักโจรมันดีแม่แต่ ในพุทธประวัติในพระจูดังมีในลูกสาวของกษัตริย์คนสวยงามโตให้อยู่บนป่าจทชั้นสูงเขาจะประหารจ้นรอยแหลรอบเมืองเจอันนี้ก็มองเหินโจนสวยนั่ ง, ขขงเขาเง่ยอ้อปังก็ัะฆ่าทิา้ง เอาหอมไปชูตะเลงแจงเพื่อประหารชีวิตหญิงสาวันนี้ก็เลยเห็นก็เกิดรักเกิดพอใจก็ขอไปถไ่ยไปถอนเราจำไม่ได้แล้วผลที่สุดได้คนนอกเป็นสามีแล้เจหนเป็นสามีนักโทษประหารมาเป็นสามี ภรรยก็จังแสดงตัวเป็นโจรอยู่ไม่จะสวยไม่จ่อะไรนางก็าลายนางอะไรจำได้ไหมในพระจูดนะนะเป็นหญิงในชื่อเสียงนะได้เป็นบ้าร น, นะที่คืเอเนียงโจรก็พอไปเที่ยวหน้าผาสามดทลง ไปชมนักศึกษาไปชมท่งเที <bounds> <gender? S 1> 0, ่ยวกันเด็กคนนี้ก็ใส่เครื่องประดับตกแต่งสวยงามน่าชื่นชก็ยังจั้งชืนอยู่เสมออยากได้สิดตั้งจื่อนึงเธอคนนี้ก็มีปัญญาน่าจะฆ่าสาโจ่นสามีจะฆ่าก็กลาบสามี เอาความดีคุณธรรมเราเป็นลูกศิษย์พระเจ้านะเรารบควนฟานต้องทํำตัวยังไงก็ยังรักษามีลูกขาลูกแขนลูกใบหน้ายังรักแสดงมนความรักเสด็จดายทักษาเล่าแต่ไม่อยู่ได้ชมขอชมขอชม ความความสวยของสามีไม่หลังเกียรตไม่จะฆ่าก็ยอมตายไม่ใช่ได้ชีวิตแต่สามีคนนี้ถ้าตายก็เอาฆ่าเลยแต่ว่าคนจะตายขอพ้อนลำสักหน่อยให้ดูให้สามีดูสักหน่อยคนนี้ขอพ้นลำสวยสามีที่เป็นโจรที่บังมาจ ไปยืนหันหลังให้หน้าผ า, น, านั่งชมเนี่เตรียมจะข้าเออดูไปดูมาบระมาณเมื่อหลัอนลำไปกับคักอกกลุ้มน้าหวาตายไปเลยได้ไหมพอเจอคนนี้ก็เห็นมนุษย์เป็นอย่างนี้เบมือนหน่ายโลกหนีไปบวชเป็นภิจุดีเป็นพระสารเลยเนี่ยตอนนั่นเนี่ย อันความคิดเนี่ยมันยิ่งใหญ่ก็ให้เียผู้เจอคนม า, มากมวิธีปฏิบัติทําตรงพอดีมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจเป็นชิปเห็นไหมฮนะยกมือส่้างจังหวะอยู่ติดแล่นไปโน่ไปถึงชนบุรี <laughs> กลับมาืิ ก็มันก็คิดไปก็เล่นอยู่เนี่ยแต่มันไม่คิดก็รู้จึกตัวที่กายเรื่อประตูจงเนี่ยอยู่ตรงประตูวดีเนนายทุกข์หวานเพราดูกาดูใจข่านกางมันเคลื่อนไหวก็ง่ายอยู่แล้วรู้จักตัวอยู่แต่มันเพื่อช่อมความเร็วหวเห็นความคิดยอมคิดถ้ามันมีสติ เป็นมหาสติปัฏฐานเฉยๆไม่ทันสติธรรมดาไม่ทันไม่จะไปตามความคิดจนพระร่าก็มีสติไปทําชั่วไ ป, ปรับระกัมวยสำเร็จอนั่นสติธรรมดาสติดิริชันสติปัฏฐานมันโตตอบมันตอบมันกลับมันตบมันท่วงมันทักท่วง มันเห็นอยู่ที่นี่เป็นทุนอยู่แล้วตร้างไว้นี่จะมาไปคิดไปโน่นกับรู้จักตัวค่อยๆเห็นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นบริสี่ธิก็เห็นความคิดหนึ่งข้างรู้หนึ่งข้างความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดไม่ใช่ความคิดแบบตั้งใจและไม่ควรคิดเต็่ยวๆสู่กรรมฐานเราไว้ก่อนนี่เหตุจําเป็นเลยที่ต้องคิดก็ไม่ต้องใช่ อย่าเอามาใช้ความคิดหาคำตอบจากความคิดหยุดไม่ทำเอาการกระทําเนี่ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเดียนีมันทำได้ทุกคนเฉืยดดายตรงดีมากโ่อความคิดจะไรียรู้อ๋อถ อ, อ, อนรู้ถานทุกทีเวล า, วา ม, มาช่วยกมาความคิดที่กลายเป็นความรู้สึกตัวไปเลยง่ายๆะเบง่ายระเบีบ้ความคิดดังจิตระเบิด บํเาเพ่งั้งจิตระบายสูญรวงมาอยู่ที่นี่หมดเลยไม่จะมีอะไรในโลกที่มากๆมาอยู่ตรงนี้เลยเกิดจากความคิดรู้สึกตัวรู้ตัวมื่ ว, วมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ลวมกันมาหลวมกันมาสูญรวมเป็นเลือพ่วงเป็นประตูเป็นวงจร ของเฉพาะริงเหมือนทางสี่เพ้งห้าแพ้งอันทั้งผ่านตรงนี้ควมบาปก่ำก็ผ่านตรงนี้บุญก็ผ่านตรงนี้ได้ศึกษาได้บทเรียนประสบการณ์เข้าประสบการณ์มากขึ้นตำนานมากขึ้นไวมากขึ้นรู้เท่ารู้ดันมากขึ้นแต่กอนเปลี่ยนใจตรงนี้ได้จิตใจเปลี่ยนไปกันได้นเด่นได้ขลายเป็นความรู้จิตตัวมัอก็หมดเลยหมด อ้นอนเดินนภาอ้อนเดินโหมดมาเลยจืดไปเลยแบบลดความพอใจก็จืดไปเลยแต่ว่าสอนความพอใจในไม่พอใจในโูปออกมาได้จืดตรงเนี้ยเวทนาก็จืดตรงเนี้ยความยิ่ก็จืดตรงเนี้ยธรรมก็จืดตรง น, รงนี้แต่ก่อนไม่มีรสชาตินมีรสชาติเวทนาก็มีรสชาติ ฉุกเวีานาขหัวล้ อ, ลอทุกเวีานาก็ล่อง่ายรามีรสชาติฟอมาเห็นอยาน่างนี้มันจดอันนี้ก็จือดอั น, อ, นองเห็นตัวนั้นหลักมันตัวนัน่นตัวนี้ก็ค่จืดไป่วกลอยไปเหมือนลูกไมมบางลูกไม่ต้องทำอะไรมันหล่ลงเองฟอมอย่างนี้มันสะทุกจากโดอย่างนีน้ขึ้นมา โอมีวิชฌาสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับอาจาบนดับนามรูปดับเวทนาสังขารวิญญาณดับอะไรผนะู <c oughs> ้ใดเห็นธรรมก็ไดเห็นปัจจิตุวาตมามันไม่ไมัน ไ, ไ, ไม่ต้องรูปความอะไรหมดทุกอย่างเหมือนกับว่าถานคำสอนกันทั่วไปถ้ามีเราถ้าจริตให้งองอ จ, จภุภะกรว่าถาน มีกรรมฐานเฉลยสอนพูดกันมีเพื่อนรุ่นเดียวคขาเดียวกันเขาฝึกกรรมฐานแบบไหนก็ไม่ลูกแต่ว่าอยากได้จบสดสดตายสดสดหญิงสาวสวยสวยตายสดสดจขอจะหาได้ที่ลันจะมาฝึกเป็นวิชากรรมฐานเป็นอัจฉริกรรมฐานจ้าเธอมานอน นั่งดูดึงวันสองวันสามวั น, ส, วนสี่วันจนจบหน่าอืดขึ้นกองน้าเหลืองไหลสีเหม็ น, มนจนเหลือแต่หนังเหนือตะกระดูกเน่ากระจุกระจายอยากเขียนั้นเต่ต้นจนเงินบ้ากรรมฐานอะไรแบบนั้นคนมีราคกจริตฝึกกสภฟะกรรมฐานก็นมีถาโทษสจริตฝึก เมตตากรุณา ว, ว่าลองไปจะเป็นชะตาจะทั้งหลายว่าลองไปว่าเราไม่ยังโกรธอยู่ผูม้มีโมหะจิตเจริญสติปัฏฐานนั่นก็ใบชี้จะทำประิยัติทำจุดนี้จุดเดียวเนี่ยมันจะเป็นมาเองเดีย๋ยวว่ากรรมอันถ่ม ทุออกเจ้ามาทำอะไรเลยพระสีทถาเอาไปฝึกปฏิบัติไม่มีครูอาจารย์เลยไม่มีใครมาให้ชีดให้ฟอนเอาตัวนี้เลยเอากายเป็ำลาเอาใจเป็นำลาเอาสติเนักศึกษาเข้าไปนี่เราก็อยู่ด้วยกันเพื่อการนี้ห so well. ลงต่อเองก็มีชีวิตอยู่เพื่อการนี้ ก็ไม่ได้บอกอย่าง น, นี้มันไม่มค่าเลยได้บอกกันใชหรือว่าไม่าขาดตบบก้องก็ตรงที่ผิดไม่บอกกันมันก็มีประโยชน์อะไรต่อกันจะเป็นการพยายามนี้จนได้ได้การหลีกเหื่อนมิตบอกยนังนี้หรือบอกตรงที่มันติดตรงที่มันถูกแล้ยว่ามิแท้มิดเทียมเลย ดีก็าตอบชั่วค่อยตอบมาเลือกนลนอันนี้ดีให้ให้สร้างไปชั่วให้ละมันเกิดไม่เห็นอยู่เนี่ยปดตุกจะไงสองบัดนี่จะตีสองบัดตอกได้เรื่ อ, อ ง, ลองหลงเพียไงเรื่ อ, องรู้จิกจตัวเป็นไงมันอยู่ในข่าวเดียวกันนอน เกิดจากความคิดกันมาเกิดหลายขึ้นรู้สึกตัวไปจาวความคิดที่เป็นตัวสังหรมันคิดทายิดดีก็ตการเป็นความรู้ก่อนสตัดแะตัดสินใจเลือกได้ตรงเนี้ยีกเช้าหน่อยก็ไม่มีล่ลชีวิตเราเลยซึ่งนี่คนประมาเขอบอกตังนี้บอก มันจะมีข้าชีวิตเราเนี่ถ้าเราใช่ไม่ถูกต้องก็ไม่ข้าจะมีข้าเราจะเป็นโทษเป็นภยัยตัวเองและคนอื่นเราก็จะพึ่งกันไม่ได้เราก็พึ่งตัวเราเม่ได้มันดูเกิดว่าทำไมถ้าเราบอกกันอย่างนี้จะต้นอันเดียวกัน เพิ่งบากจะกันด้วยเรจะมีงานยอดต่อกันต่อไปอยาให้ช่วงของความถูกต้องขาดสมั่นลงตอนนั้นเรามีชีวิตอยู่คนเดิมเกิดขึ้นมาก็มีใครบอกใครพูดเรงนี้แล้ก็หมดได้เชื่อมได้ เจงขอเป็นอันหนึ่งขอเป็นปาดึงเป็นเฉียงหนึ่งที่พูดอย่างนี้แม่มีอะไรลู้อะไรบะนิดนิดหน่อยหน่อยก็มาเล่าชวนฟั ง, ฟงแล้วก็มีประโยชน์ใช่ okay, เป็นวลหันแบบแอนคำนะลึกลึกชาติได้นะขมบูดแน้นกวา ไม่ต้องอะไรมากง่ายไม่ต้องเอาทองมาให้เป็นตำตันไม่ต้องซื้อรถหรูๆมาให้ซื้อเกีรเครื่องดิน <c oughs> อะไรประการอย่างนั้นว่ากิข้าวหวนั่วยตอนนี้ก็พอละนะไม่ต้องไปอุปถากภอะไรแต่ว่า เ, เป็นเพื่อนกันกำลังใจต่อกันเห็นเะพื่อนเนินจงกรมเป็นเพื่อ น, น, พ, อ น, น, พ, อนพูดกันอะไรธรรมะฟังกันแล้วก็ดีใจถ้ามีแต่ทะลอกกันเหยียบเยียงกันมันก็มีมีผลอันตรายเกิดขึ้นกะ็เลยมีกำลังใจบ้างอยู่ยนทางก็มีควอมสมานฉะทีิกาน ร่วมกันทํากิจกรรมทำารมามานุษ์กิจการงานสวนรลวงต่างๆสัญญ่งสอนยอดชมในประจกักษ์ชีวิตแต่และ ว, วันแต่และเรื่อลือกงามเวลาอนม้หนังตาเป็นปวิชาได้บอกแล้ว ตาบอเทวทิยาไม่จะเฝ้าตูปมณังกิตติปางด้วยใหม่ๆทั้งพูดอยไม่ีว่าทิวาโสอาโศจิตติโตสต่ระนั้นเตตาจิตติานตติอังสงตังนังปวัจจังกันได้จังมันใจจะขาดดูดิ รู้จ <fighting with S 1> ักตาวัยเทวชีพในสพาอุตุกระมนังจิติปักรู้จักฤดูรู้จักการรู้จักเวลานี่เรื่องรื่ลมวัดทางไหนหวนตกเวลาไหนหวานจำบังสินมันพระอย่างไรรู้จักเวลาเพื่ช้ชีวิตอย่าช้ชีวิตถึงส่วนตัวคนเดียวเชื่อคนอื่นบ้าง เฉอนหมูเชืนเม็ดหรือข้องหรือกองเป็นลำบอดเ่วนทำความดีการเล่นลาเหินขายอะไรไม่ดีก็เฉือนกันบ้างดูแลกันบ้างหูวเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงเชิงกันบ้างนี่ว่าต่างคนต่างดูแลกันไม่ฝ่าสากานและสามีผู้ิปรมาด รักษาทรัพย์สมบัติของมิมตรผู้บำนาญบางทีก็ประมาญดูให้กันด้วยเป็นเจ้าของกันด้วยเอาสมควรใช้เวลาจับพระเะท่ากัน